มกคถาว่าด้วยมักคำว่ามักอธิบายว่าชื่อว่ามักเพราะมีสภาวะว่าอย่างไรคือในขณะแห่งโสดาปติมักชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นเป็นมักและเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาทิฐิเพื่ออุปธรรมสหาชาตธรรมเพื่อครอบงำกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวทเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิต เพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตเพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่งเพื่อตรัสรู้สัจจะเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธชื่อว่าสัมมาสังขปะเพราะมีสภาวะตรตรองเป็นมรรคและเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาสังขปะเพื่ออุปถัมภหชาตธรรมเพื่อครอบงำกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวทเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิต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 เพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตเพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่งเพื่อตรัสรู้สัจจะเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธชื่อว่าสัมมากัมมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานเป็นมากและเป็นเหตุเพื่อละมิช้ากัมมันตะเพื่ออุปถัมภะชาตธรรมเพื่อครอบเมืองกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวท เพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตเพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่งเพื่อตรัสรู้สัจจะเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วเป็นมรรคและเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาอาชีวะชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้เป็นมรรคและเป็นเหตุ เพื่อละมิจฉาวายามะชื่อว่าสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่นเป็นมรรคและเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาสติชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านเป็นมรรคและเป็นเหตุเพื่อละมิจฉาสมาธิเพื่ออุปธรรมชาติธรรมเพื่อครอบงำกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวทเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิต เพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตเพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่งเพื่อตรัสรู้สัจจะเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธในขณะแห่งสกข า, าคามิมักชื่อว่าสัมมาทิชิเพราะมีสภาวะเห็นชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุง้งซ่านเป็นมักและเป็นเหตุเพื่อละการมราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ส่วนหยับหยบับ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 ชื่อว่าสัมมาทิฐิเพราะมีสภาวะเห็นชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไ ม, ม่ฟุ้งซ่านเป็นมรรคและเป็นเหตุเพื่อละกามราคาสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์ส่วนละเอียดละเอียดกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดละเอียดเพื่ออุปธรรมสาชาตธรรมเพื่อครอบงำกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวท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 มานะุทจัจจะอวิชชามานานุสัยภวะราคานุสัยอวิชานุสัยเพื่ออุปถัมภะชาตธรร ม, รรมเพื่อครอบเมืองกิเลสทั้งหลายเพื่อความหมดจดในเบื้องต้นแห่งปฏิเวกเพื่อความตั้งมั่นแห่งจิตเพื่อความผ่องแผวแห่งจิตเพื่อบรรลุธรรมวิเศษเพื่อรู้แจ้งธรรมอันยิ่งเพื่อตรัสรู้สัจจะเพื่อให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิโรธ มักคือความเห็นชื่อว่าสมาัมมาทิฏฐิมักคือความตรึกตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะมักคือการกำหนดชื่อว่าสัมมาวาจามักคือสมุทฐานชื่อว่าสัมมากรรมันตะมักคือความผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาอาชีวมะมักคือการประคองไว้ชื่อว่าสัมมาวายามะมักคือความตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสติ มักือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิมักือความตั้งมั่นชื่อว่าสติสั Duch มโพชฌงมักือการเลือกเฟ้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงมักือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงมักือความแผ่ซ่านชื่อว่าปิติสัมโพชฌงมักือความสงบชื่อว่าป Trans ัสสติส si ัมโพชฌง มักคือความไม่ฟุง้งซ่านชื่อว่าสมาธิสัมโพชงมักคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบขาสัมโพชงมักคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าศัทธาภละมักคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านชื่อว่าวิริยะภละมักคือความไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติภละมักคือความไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะชื่อว่าสมาธิภละ มักคกือกความไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าปัญญาภะมักคกือความน้อมใจเชื่อชื่อว่าสัตินสียมักคกือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยินรีย์มักคกือความตั้งมั่นชื่อว่าสตินรียมักคกือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธินสียมักคกือความเห็นชื่อว่าปัญญินรียมักที่ชื่อว่าอินทรีเพราะมิจฉาวะเป็นใหญ่ มักที่ชื่อว่าภะละเพราะมีสภาวะไม่หวันไหวมักที่ชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะนำออกมักที่ชื่อว่าองค์แห่งมักเพราะมีสภาวะเป็นเหตุมักที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่นมักที่ชื่อว่าสัมมัปทานเพราะมีสภาวะตั้งไว้มักที่ชื่อว่าอิทิบาทเพราะมีสภาวะให้สำเร็จมักที่ชื่อว่าสัจจะ เพราะมีสภาวะเป็นของแท้มักที่ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมักที่ชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นมักที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสนาเพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันมักที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกันมักที่ชื่อว่าสีและวิสุทธิเพราะมีสภาวะสมรวม มักที่ชื่อว่าจิตตะวิสุทธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านมักที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะมีสภาวะเห็นมักที่ชื่อว่าวิโมกเพราะมีสภาวะหลุดพ้นมักที่ชื่อว่าวิจาเพราะมีสภาวะรู้แจ้งมักที่ชื่อว่าวิมุตเพราะมีสภาวะสละมักที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัดขาด มักที่ uh ชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลมักที่ชื่อว่ามณสการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานมักที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมมักที่ชื่อว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมมักที่ชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานมักที่ชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ มักที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นมักที่ชื่อว่าวิมุตต์เพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารมักที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะคือนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดมัคคุตาจบสิบมัณฑะเปยกคาว่าด้วยพรหมจร์ที่ใจและหน้าดิมภิกษุทั้งหลาย พระมจันนิสัยและหน้าเดิมเมื่อพระศา ส, สดา ย, ยังปรากฏอยู่ความใส่มีสามประการคือ 1. ความใส่คือเทศนา 2. ความใส่คือผู้รับ 3. ความใส่คือพระมจันน์ความใส่คือเทศนาเป็นอย่างไรคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่สติปฐานสี่ สัมมประธานสี่อิทธิปาสีอินรีห้าพละห้าโภชงเจ็ดการบอกการแสดงการบัญญัตการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำง่ายซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นความใสเคือเทศนาความใสเคือผู้รับเป็นอย่างไรเคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์ หรือท่านผู้รู้แจ้งพวกใดพวกหนึ่งนี้เป็นความใสคือผู้รับความใสคือพรหมจันทร์เป็นอย่างไรคืออริยามากมีองค์แปดนี้ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสี่สัมมากรมันตะหสัมมาอาชีวะหสัมมาวายามะเจ็ 7. สัมมาสติ แสัมมาสมาธินี้เป็นความใสคือพรหมจรรย์ความใสคือความน้อมใจเชื่อชื่อว่าสัตทินสีความไม่มีศรัทธาเป็นกากบุคคลที่มความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความน้อมใจเชื่อของสัตทินสีเพราะเหตุนั้นสัตทินสีจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม ความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าวิรีนซีความเกียยคร้านเป็นกาบบุคคลทิ้งความเกียยคร้านอันเป็นกาบแล้วดื่มความใสคือการประคองไว้ของวิรีนซีเพราะเหตุนั้นวิรินซีจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความตั้งมั่นชื่อว่าสตินซีความประมาทเป็นกาบ บุคคลทิ้งความประมาทอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความตั้งมั่นของสตินสีเพราะเหตุนั้นสตินสีจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธินสีอุทจจะเป็นกากบุคคลทิ้งอุทจจะอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสมาธินสีเพราะเหตุนั้น สมา lord, ทินีจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือการเห็นชื่อว่าปัญญินีเอาวิชาเป็นกรากบุคคลทิ้งเอาวิชาอันเป็นกรากแล้วดื่มความใสคือความเห็นของปัญญินีเพราะเหตุนั้นปัญญินีจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าศัทธาภละ ความไม่มีศรัทธาเป็นกากบุคคลทิ้งความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาของศรัทธาภละเพราะเหตุนั้นศรัทธาภละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกียร์คร้านชื่อว่าวิริยะภละความเกียรคร้านเป็นกาก บุคคลทิ้งความเกลียคร้านอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกลียคร้านของวิริยะพละเพราะเหตุนั้นวิริยะพละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติพละความประมาทเป็นกากบุคคลทิ้งความประมาทอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่ประมาทของสติพละ เพราะเหตุนั้น okay? like สต uh ิพละจึงชื sequel, ่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวพระอุทจจะชื่อว่าสมาธิพละอุทจจะเป็นกากบุคคลทีงอุทจจะอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวพระอุทจจะของสมาธิพละเพราะเหตุนั้นสมาธิพละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม ความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาชื่อว่าปัญญาภละอวิชชาเป็นกากบุคคลทิ้งอวิชชาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาของปัญญาภละเพราะเหตุนั้นปัญญาภละจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความตั้งมั่นชื่อว่าสติสัมโพชงความประมาทเป็นกาก บุคคลทิ้งความประมาทอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความตั้งมั่นของสติสัมโพชงเพราะเหตุนั้นสติสัมโพชงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือการเลือกเฟ้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงอวิชาเป็นกากบุคคลทิ้งอวิชาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการเลือกเฟ้นของธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะเหตุนั้น ธรรมวิจยาสัมโพชงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดืม่มความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงความเกียคร้านเป็นกากบุคคลทิ้งความเกียคร้านอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการประคองไว้ของวิริยะสัมโพชงเพราะเหตุนั้นวิริยะสัมโพชงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดืม่ม ความใสคือความแผ่ซ่านชื่อว่าปิติสัมโพชงความเร่าร้อนเป็นกากบุคคลที้งความเร่าร้อนอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความแผ่ซ่านของปิติสัมโพช ง, งเพราะเหตุนั้นปิติสัมโพชงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความสงบชื่อว่าปสธิสัมโพชงความชั่วยาเป็นกาก บุคคลทิ้งความชั่วหยาบอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความสงบของปัสธิสัมโพชงเพราะเหตุนั้นปัสธิสัมโพชงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิสัมโพชงอุทจจะเป็นกากบุคคลทิ้งอุทจจะอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสมาธิสัมโพชง เพราะเหตุนั้นสมาธิสัมโพชฌงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบขาสัมโพชฌงการไม่พิจารณาเป็นกากบุคคลที่การไม่พิจารณาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการพิจารณาของอุเบขาสัมโพชฌงเพราะเหตุนั้นอุเบขาสัมโพชฌงจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม ความใสคือการเห็นชื่อว่าสัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาทิฐิอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือการเห็นของสัมมาทิฐิเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฐิจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความตรึกตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาสังกัปปะอันเป็นกาก แล้วดื่มความใส paints, คือความตรตรองของสัมมาสังกัปปะเพราะเหตุนั้นสัมมาสังกัปปะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือการกําหนดชื่อว่าสัมมาวาจามิจฉาวาจาเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาวาจาอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความกําหนดของสัมมาวาจาเพราะเหตุนั้น สัมมาวาจาจึงชื่อว่าม hmm. ีความใสและน่าดื่มความใสคือสมุทฐานชื่อว่าสัมมากรมันตะมิชากรมันตะเป็นกากบุคคลที่มิชากรรมันตะอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือสมุทฐานของสัมมากรรมันตะเพราะเหตุนั้นสัมมากรรมันตะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาอาชีวะอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความผ่องแผ้วของสัมมาอาชีวะเพราะเหตุนั้นสัมมาอาชีวะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าสัมมาวายามะมิจฉาวายามะเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาวายามะอันเป็นกาก แล้วดื่มความใสคือความประคองไว้ของสัมมาวายมะเพราะเหตุนั้นสัมมาวายมะจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่มความใสคือความตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสติมิจฉาสติเป็นกาบบุคคลทิ้งมิจฉาสติอันเป็นกาบแล้วดื่มความใสคือความตั้งมั่นของสัมมาสติเพราะเหตุนั้นสัมมาสติจึงชื่อว่า มีความใสและน่าดื่มความใสคือความไม่ฟุง้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นกากบุคคลทิ้งมิจฉาสมาธิอันเป็นกากแล้วดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านของสัมมาสมาธิเพราะเหตุนั้นสัมมาสมาธิจึงชื่อว่ามีความใสและน่าดื่ม ความใ ส, สมีอยู่ความน่าดื่มมีอยู่ปากก็มีอยู่ความใสคือความน้อมใจเชือ่อชื่อว่าสัจทินรีความไม่มีศรัทธาเป็นกากอัทรสธรรมรสวิมุติรสในสัจทินรีนั้นเป็นความน่าดืม่มความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยินรีความเพียดคร้านเป็นกากอัทรสธรรม ร, รสวิมุติรสในวิริยินรีนั้นเป็นความน่าดืม่ม ความสายคือความตั้งมั่นชื่อว่าสตินีความประมาทเป็นกากอัตยรสธรรมรตวิมุติรตในสตินีนั้นเป็นความน่าดื่มความสายคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาตินีอุทจฉะเป็นกากอัตยรสธรรมรตวิมุติรตในสมาตินีนั้นเป็นความน่าดื่มความสายคือความเห็นชื่อว่าปัญญีอวิชชาเป็นกาก อัทรรสธรรมรสวิมติรสในปัญญินรียนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเ พ, พราะความไม่มีศรัทธ า, าชืา่อว่าศรัทธาภละความไม่มีศรัทธาเป็นกากอัทรรสธรรมรสวิมติรสในศรัทธาภละนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกียคร้านชื่อว่าวิริยะภละความเกียคร้านเป็นกากอัตรรสธรรมรส วิมติรสในวิริยะภละนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติพละความประมาทเป็นกากอัทรรสธรรมรสวิมติรสในสติพละนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะชื่อว่าสมาธิพละอุทจจะเป็นกากอัทรรสธรรมรสวิมติรส ในสมาธิภะละนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่หวันไหวเพราะอาวิชชาชื่อว่าปัญญาภละอวิชชาเป็นกากอัทธรสธรรมรสวิมติรสในปัญญาพละนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความตั้งมั่นชื่อว่าสติสัมโพชงความประหมาตเป็นกากอัทธรสธรรมรส วิมมติรสในสติสัมโพชงนั้นเป็นความหน้าเด่มความสายคือการเลือกเฟน graduate, ้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงอวิชชาเป็นกากอัตรสธรรมรสวิมมติรสในธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นเป็นความหน้าดด่มความสายคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงความเกียกคร้านเป็นกากอัตรส ธรรมรสวิมติรสในวิริยะสัมโพชงนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความแผ่ซ่านชื <ica> ่อว่าปิติสัมโพชงความเร่าร้อนเป็นกากอัตรสธรรมรสวิมติรสในปิติสัมโพชงนั้นเป็นความน่ an, มาดื่มความใสคือความสงบชื่อว่าปัสสติสัมโพชงความชั่วอย่าเป็นกากอัตรสธรรมรส วิมุติรสในสมาธิสัมโพชฌงนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงอุทัจจะเป็นกากอัทรสธรรมรสวิมุติรสในสมาธิสัมโพชฌงนั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบขาสัมโพชฌงการไม่พิจารณาเป็นกากอัทรสธรธรมรสวิมุติรส ในอุเบกขาสัมโพชงนั้นเป็นความน่าดึงความสยคือการเห็นชื่อว่าสัมมาทิฐิมิจฉาทิฐิเป็นกาก smoking. อัตโรสธรมมรถวิมุติรถใ น, น mm hmm. ah สัมมาทิฐินั้นเป็นความน่าดึงความสายคือความตรรตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเป็นกากอัตโรสธรมมรถวิมุติรถ ในสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นความน่าดื่มความสายคือการกำหนดชื่อว่าสัมมาวาจามิจฉาวาจาเป็นกาอัตรสธรธรมรสวิมุติรสในสัมมาวาจานั้นเป็นความน่าดื่มความสายคือสมุดฐานชื่อว่าสัมมากัมมันตะมิจฉากัมมันตะเป็นกาอัตรสธรธรมรสวิมุติรสในสัมมากัมมันตะนั้นเป็นความน่าดื่ม ความใสคือความผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะเป็นกากอัตตรสธรรมรสวิมุติรสในสัมมาอาชีวะนั้นเป็นความน่าดืม่มความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าสัมมาวายามะมิจฉาวายามะเป็นกากอัตตรสธรรมรสวิมุติรสในสัมมาวายามะนั้นเป็นความน่าดื่ม ความใสคือการตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสติมิฉาสติเป็นกาบอัตโศตธรรมรศวิมติรศในสัมมาสตินั้นเป็นความน่าดื่มความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิมิฉาสมาธิเป็นกากอรรัตโศตธรรมรศวิมติรศในสัมมาสมาธินั้นเป็นความน่าดื่ม ความใสคือการเห็นชื่อว่าสัมมาทิฏฐิความใสคือ gebra, ความตรตรองชื่อว่าสัมมาสังกัปปะความใสคือการกําหนดชื่อว่าสัมมาวาจาความใสคือสมุทฐานชื่อว่าสัมมากัมมันตะความใสคือความผองแผ้วชื่อว่าสัมมาอาชีวะความใสคือการประคองไว้ชื่อว่าสัมมาวายมะ ความสายคือความตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสติความสายคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสัมมาสมาธิความสายคือความตั้งมั่นชื่อว่าสติสัมโพชฌงความสายคือการเลือกเฟ้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงความสายคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริยะสัมโพชฌงความสายคือความแผ่ซ่านชื่อว่าปิติสัมโพชฌง ความใสยคือความสงบชื่อว่าปัตธิสัมโพชงความใสยคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิสัมโพชงความใสยคือการพิจารณาชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชงความใสยคือความไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาชื่อว่าศัทธาภละความใสยคือความไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรคร้านชื่อว่าวิริยะภละ ความสายคือความไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสติพละความสายคือความไม่หวั่นไหวเพราะอุทจฉาชื่อว่าสมาธิพละความสายคือความไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าปัญญาพละความสายคือความน้อมใจเชื่อชื่อว่าสัจทินสีความสายคือการประคองไว้ชื่อว่าวิริินสี ความใ ส, ค, ค, มใสคือความตั้งมั่นชื่อว่าสตินสีความใสคือความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธินสีความใสคือการเห็นชื่อว่าปัญญินสีความใสที่ชื่อว่าอินรีเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ความใสที่ชื่อว่าพละเพราะมีสภาวะไม่วันไว้ความใสที่ชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะนาออกความใสที่ชื่อว่ามัก เพราะมีสภาวะเป็นเหตุความใส่ที่ชื่อว่าสติปทานเพราะมีสภาวะตั้งมั่นความใส่ที่ชื่อว่าสัมมรปทานเพราะมีสภาวะเริ่มตั้งไว้ความใส่ที่ชื่อว่าอิทิบาทเพราะมีสภาวะให้สำเร็จความใส่ที่ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านความใส่ที่ชื่อว่าวิปัสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็น ความใสที่ชื่อว่าสมถะและวิปัสนาเพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกันความใส่ที่ชื่อว่าธรรมที่เป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกันความใสที่ชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะสำรวมความใสที่ชื่อว่าจิตวิสุทธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านความใสที่ชื่อว่าทิจิวิสุทธิเพราะมีสภาวะเห็น ความใสที่ชื่อว่าวิโมกเพราะมีสภาวะหลุดพ้นความใสที่ชื่อว่าวิชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้งความใสที่ชื่อว่าวิมุตเพราะมีสภาวะปล่อยความใสที่ชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัดขาดความใสที่ชื่อว่าอนุปาทฏยานเพราะมีสภาวะสงบความใสที่ชื่อว่าชันทะ เพราะมีสภาวะเป็นมูลความใส่ที่ชื่อว่ามณสการเพราะมีสภาวะเป็นสมุดฐานความใส่ที่ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะเป็นที่ประชุมความใส่ที่ชื่อว่าเวทนาเพราะมีสภาวะเป็นที่รวมความใส่ที่ชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานความใส่ที่ชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ ความใส่ที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นความใส่ที่ชื่อว่าวิมุตต์เพราะมีสภาวะเป็นแกนสารความใส่ที่ชื่อว่าธรรมที่ยังลงสู่อมตะพืนิพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดฉนี้แหลมันทเปยยกถาจบจะตุทะพานวาระจบมหาวัคทีหนึ่งจบ รวมกระทาที่มีในวัรค์นี้คือ 1. ยานกฐา 2. ทิทิกฐา 3. อานาปานสติกฐา 4. อินทิริยกฐา 5. วิโมกขะกฐา 6. คติกฐา 7. กรรมมกฐา 8. วิปราศะกฐา 9. มะคะกฐา 10. มันทะปยยกถา วักที่หนึ่งนี้เป็นวักอันยอดเยี่ยมไม่มีวักอื่นเสมอท่านผู้ทรงนิกายตั้งไว้แล้วฉ น, นี้แหละสองยุคอนัตวักหมวดว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่หนึ่งยุคอนัตทักถาว่าด้วยการเจริญธรรมที่เป็นคู่ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระ อ, อ น, นุ์อยู่นครสิตาราม เคศครุงโกสัมพีณที่นั้นท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดก็าตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีย่อมทําให้แจ้งอรหัตในสำนักของเราด้วยมรครบทั้งสี่ประการ หรือมักใดมักหนึ่งบรรดามักสี่ประการนี้มักสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้ามักย่อมเกิดเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยดได้อนุสัยย่อมสิ้นไป 2. พิสุจริญสมะะมีวิปัสสนานำหน้าเมื่อเธอเจริญสมะะมีวิปัสสนานำหน้ามักย่อมเกิดเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปสพิสุจริญสมะะและวิปัสสนาคู่กันไปเมื่อเธอเจริญสมะะและวิปัสสนาคู่กันไป มักย่อมเกิดเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปสภิกษุมีใจถูกอุทจฉาในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่นสงบอยู่ภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่มักก็เกิดแก่เธอเธอปฏิบัติ เจริญทำให้มากซึ่งมรคนั้นเมื่อเธอปฏิบัติเจริญทำให้มากซึ่งมรคนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีย่อมทำให้แจ้งอรหัตในสำนักของเราด้วยมรครบทั้งสี่ประการหรือมรใดมรหนึ่งบรรดามรสีประการนี้